ก็จ ะ, ะพออยาตจะโยกสัพานชนท่านคือเป็นธรรมดานะคนที่ทำจิตอาสาเนี่ยถ้าทำจริงทียงจังเนี่ยมันก็จะมีคนพูดอยู่สองอย่างนะก็คือหนึ่งหาว่าโง่โง่คือว่าทำไปแล้วได้อะไรนะหรือว่าถ้าเราทำในสิ่งที่มันทำได้ยากยก็จะหาว่าเราบ้า อย่ที่หมวดวิชัยเนี่ยนะได้ประสบมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของการที่ได้ปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะคือเขามองไม่เห็นว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาเพราะว่าเพียงแค่คนคนเดียวนะเห็นดีเห็นดีด้วยแต่ว่าทำแล้วได้ประโยชน์อะไรนะหรือว่าทำแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์โทษผลอะไรจะได้ผลไหม อันที่เป็นธรรมดานะถ้าจากพุทธทาสเนี่ยเมื่อตอนที่ท่านเริ่มตั้งสวนโมกขนะที่พุมเรียงเนี่ยคนก็หาว่าท่านเป็นพระบ้านะนี่เราจะพบว่าความสำเร็จหรือว่าความเจริญงกอกงามนะการสร้างสรรค์ของผู้คนเนี่ยที่ทุกวันนี้เราได้เกี่ยวประโยชน์เนี่ยบ่อยครั้งเนี่ยก็เกิดมาจากคนที่เขา ทำในสิ่งที่ใครๆหาว่าโง่ใครๆหาว่าบ้าแต่ว่าเมื่อมั่นใจในในสิ่งที่ทำรวมทั้งมีความสุขในสิ่งที่ได้ทำก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำสิ่งดีงามนั้นเนี่ยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนอันนี้ธรรมะที่สำคัญมากเลยนะก็คือการที่เราเนี่ย เห็นมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะและขณะเดียวกันก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำไอความสุขนี่แหละมันจะช่วยหล่อเลี้ยงให้เราสามารถจะทำสิ่งดีๆนั้นได้นั้นได้อย่างมั่นคงนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำแล้วไปไม่รอดนะก็เพราะว่าขาดความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ที่คุณตันธิยาเนี่ยทำได้มาตลอด10ปีเนี่ยตามาเชื่อเลยนะว่าเป็นเพราะมีความสุขที่ได้ดูแลเด็กซึ่งเธอก็ได้บอกเองนะว่าทีแรกเนี่ยคิดว่าจะไปให้เด็กแต่ที่จริงเนี่ยเด็กกลับเป็นฝ่ายให้เรามากกว่าคือให้ความสุขคนเราถ้ามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเนี่ยคําครหาคำํำต่อว่าหรือความเข้าใจผิดของผู้คนเนี่ย จะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่อาจจะทำให้เราใจกระเพื่อมบ้างวันวหวบ้างแต่ความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะหล่อเลี้ยงนะให้เราไม่ใส่ใจกับคำพูดของคนเหล่านั้นหลายคนเนี่ยทำความดีในจิตอาสาแล้วเนี่ยก็มาเสียใจว่าทำไมไม่มีใครเห็นความดีของเรา ทำไมเขาว่าเรานะอันนี้ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะที่จะย่อมรู้สึกหวั่นไหวนะกับสายตาของผู้คนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความดีเรามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่หวั่นไหวมากกับสายตาผู้คนเวลาเราทำจิตอาสาหรือทำความเดียยอะไรก็ตามเนี่ยนะ อาตมาว่าต้องระวังนะเราอย่าเป็นพัดลมพัดลมที่ที่พัดเนี่ยนะอยู่ข้างหน้านี่เย็นใช่ไหมแต่ไปจับตัวมันเนี่ยเป็นไงมันร้อนมันให้ความเย็นับผู้คนแต่ตัวมันร้อนหลายคนเนี่ยให้ความสุขแกคนอื่นแต่ตัวเองเนี่ยกลับเป็นทุกข์นะอันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าทําใจไม่เป็นไปคาดหวัง คาดหวังอะไรไปคาดหวังความสําเร็จบ้างอาจจะคาดหวังในตัวเด็กที่เราดูแลอาจจะคาดหวังในงานที่เราทําว่ามันต้องสําเร็จหรือไม่ชนะก็คาดหวังคําสรรเสริญคาดหวังรางวัลนะจริงๆแล้วคนที่จะได้รางวัลอยา่างหมวดวิชัยเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นส่วนน้อยนะปริญญาโทสี่ใบแล้วก็รางวัลระดับโลกเนี่ยนะ จะอามาเป็นเป็นเป็นแบบอย่างของเราไม่ได้ว่าเราทำแล้วจะต้องได้รางวัลแบบนั้นส่วนน้อยเท่านั้นนะที่จะได้รางวัลอย่างเป็นทางการแต่ส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะไม่ได้รางวัลแบบนั้นแต่รางวัลที่ได้เนี่ยคือความสุขใจนะถ้าคุณทำใจแบบนี้นะว่าไม่ได้คาดหวังรางวัลคําสร็เสริญเนี่ยเพื่อทางานยังมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะ และความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วเมื่อใจเราเปิดนะความสุขจากการทำความดีในจิตอาสาก็จะหลังหลล่งไหลพังปลุเข้ามาสู่ใจเราแต่ถ้าเราไปคาดหวังนะประโยชน์ค <c oughs> าดหวังรางวัลจากข้างนอกเนะี่ยใจเราจะเริ่มปิดไม่สามารถจะรับเอาความสุขจากสิ่งที่เราทำในปัจจุบันขณะได้แล้วเราก็จะเหมือนกับพัดลมที่ให้ความเย็น กับผู้คนแต่ตัวมันเองกับร้อนอันตมาว่าเราน้าจะเป็นต้นไม้จิตอาสาเนี่ยที่ทำงานอย่างมีถ้าจะให้ได้ดีเนี่ยจะต้องเป็นต้นไม้ต้นไม้เนี่ยมันรับแดดเนีรามองไปข้างนอกเนี่ยมันเจอแดดแต่มันทุกร้อนไหมมันเปลี่ยนแดดให้กลายเป็นอาหารถ้ามันไม่มีแดดเสร็จมันจะแห้งตาย ต้นไม้เนี่ยมันเปลี่ยนอะเปลี่ยนแดงเนี่ยให้การเป็นร่มเงาร่มเงาเกิดขึ้นเมื่อมีแดดใช่ไหมฮะไม่มีแดด ก, ก็ไม่มีร่มเงาและร่มและต้นไม้เนี่ยมันเปลี่ยนแดดไม่ใช่เปลี่ยนเร่มเงามันเปลี่ยนแดดให้เป็นอาหารต่อเลี้ยงลาต้นมีใบมีดอกที่สวยงามและให้ผลที่หวานอร่อย นั่นก็คือว่าสามารถจะเปลี่ยนอุปสรรคนะสามารถจะเปลี่ยนทุกนะให้กลายเป็นประโยชน์เปลี่ยนความยากลบากให้กลายเป็นความสุขได้นะเปลี่ยนปัญหาการเป็นปัญญาถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรารู้จักนะแปลเปลี่ยนปัญหาให้กลย า, กายเป็นปัญญาเนี่ยเราจะร่ำรวยจิตใจเระจะร่ำรวย เราจะรู้สึกว่าออกปัญหานี้เข้ามาฝึกนะให้เราทึ่งแข็งปัญหานี้เข้ามาสอนนะให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยวางความทุกข์ช่วยทำให้เราเห็นธรรมอัตมาประทับใจนะแล้วก็ถือเป็นคำเป็นคาครูที่สอนใจตลอดหลือพ่อคำเขียนเนี่ยท่านทำงานช่วยเหลือชุมชนเยอะนะ แต่ขณะเดียวกันท่านก็เป็นอาจารย์กรรมฐ า, ามด้วยอาจารมรู้จักกับหลวงพ่อคำเขียนก็ไปช่วยสหกรณ์ข้าวของท่านเมื่อสาสิบปีที่แล้วท่านทําศูนย์เด็กนะเป็นโครงการแรกแล้วขยายเป็นงานพัฒนาชุมชนตอนน่อหลังก็ช่วยให้ชาวบ้านพยายามช่วยชาวบ้านเนี่ยให้กลับมาพึ่งตัวเองอาศัยกเกษตรผสมผสารการที่จะปลูกมันกลัไปขายจนเกิดนิสัย ง, งานที่ท่านทําหลายอย่างไม่สําเร็จ แต่หลวงพ่อาะบอกว่างานล้มเหลวแต่อัตมาไม่ล้มเหลวคุณเข้าใจไหมงานล้มเหลวแต่อัตมาไม่ล้มเหลวงานล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวนะคือความล้มเหลวเนี่ยในงานเนี่ยมันทําอะไรท่านไม่ได้ไม่ทําให้ท่านมีความทุกข์เพราะท่านรู้ว่าไอ้ความล้มเหลวและความสําเร็จมันก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยนะเมื่อเหตุปัจจัยไม่ถึงพร้อมมันก็ไม่สําเร็จ แต่ทํานทำเต็มที่นะหลวงพ่อเห็นเป็นตัวอย่างของคนที่ทําเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะทำเนี่ยจิตใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันไม่คาดหวังความสําเร็จสําเร็จก็ดีไม่สําเร็จก็เฉยๆนะนั่นถ้าเกิดว่าเราทํางานนี่ไม่จะเป็นจิตอาสาก็ดีไม่จะเป็นเป็นเป็น การทำความดีในองค์กรของเราในบ้านของเราเนี่ยให้เราตัหลักอยู่เสมอนะว่าสิ่งที่เราคาดหวังได้เนี่ยจากการทำเนี่ยที่แ น, น่ๆเลยเนี่ยก็คือความสุขภายในและความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราเช่นเสียสละมากขึ้นอัตตาน้อยลงมีตัวอย่างมากมายคนที่ไปช่วยเหลือเด็กกาพร้าเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ช่วยเหลือสัตว์หรือว่าปลูกต้นไมออ้อย่างแบดวิชัยเนี่ยนะมีความสุขภายในและเกิดความเปลี่ยนแปลงข้างในคืออดทนมากขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นนะหรือว่าลดละอัตราตัวตนนะให้น้อยลงไอ้สิ่งนี้แหละนะั้นที่มันทำให้มีความสุขได้ง่าย เป็นความสุขที่มาจากภายในเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ได้พึ่งพาความสุขถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่นะจะไม่จะไม่ได้พึ่งพาความเขียวขจีเนี่ยจากจากฝนจากฟ้าหน้าแ้งเนี่ยต้นไม้ก็ยิงเขียวขจีเพราะว่ามันมีรากลึกมันสามารถที่จะเอาน้ำเนี่ยจากใต้ดินเนี่ยไปหล่อเลี้ยงลาต้นกิ่งก้านและบได้คนส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับพืชล้มลุก หรือต้องร อ, อน้ำจากข้างนอกร อ, อน้ำจากฟ้าร อ, อน้ำจากคนคนปลูกพอไม่มีต้นพอไม่มีน้ำก็เหี่ยวแห้งเหมือนคนหลายคนที่ถ้าไม่มีทางสารรเสริญไม่มีรางวัลให้ไม่มีเงินเดือนก็เหี่ยวแห้งแต่เราต้องเป็นต้นไม้ยืนต้นนะที่เรียกว่ารากอย่างลึกนะจนสามารถที่จะเข้าถึงน้ำที่อยู่ใต้ดิน น่ารักฝนไม่ตกมันก็ยังเขียวขจีเพราะมันสามารถจ้น้ำจากข้างไหนในใต้ดินได้คนเราเนีถ้าเราทำความดีล้วเราเข้าถึงความสุขภายในเราก็จะมีความสุขเราก็จะยิ้มแย้มแม้คนไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม้พอ ย, ยังต่อว่านะไม่กดไลค์ไม่พอคอมเมนต์ แต่ว่าถ้าเรามีความสุขภายในนะเราไม่หวั่นไหวนะพันลมทำไม่ได้แต่ต้นไม้ทำได้นะงั้นถ้าเกิดว่าเร า, เาพยายามที่จะอ า, อาศัยเราพยายามเปิดใจรับความสุขจากสิ่งที่เราจากความดีที่เราทำแล้วก็วางความคาดหวงังในงาน และคำสรรเสริญให้น้อยลงเราจะมีความสุขแม่ชีเทเรซาแกมีแกมีคำขันอันหนึ่งที่ดีมากนะเาบอกว่ามีความหวังแต่อย่าคาดหวังและอันนี้เนี่ยใช้ได้ดีมากนะปั้ปมมนเนี่ยบ้านการยานิเศษเนี่ยทำงานกับเด็กที่ที่เหลือขอเด็ ก, กันาพานเกเร ท, ที่ถูกตัดสิน ให้จำคุกแต่ว่าอายุน้อยก็เลยต้องมาอยู่อยู่สถานบําบัดสามกัดการแล้วก็ก่อนจะออกก็มาอยู่บ้านการนนพิเศษป้ามนี่สามารถที่เปลี่ยนเด็กเหล่านี้ได้เนี่ยเพราะยึดถือคติอันนี้คือมีความหวังแต่อยาคาดหวังเราทงจิตอาสาันเหมือนกันนะฮะมีความหวังในตัวเด็กมีความหวังในคนไข้แต่ยาคาดหวัง แม้แต่เลี้ยงลูกเนี่ยก็ต้องมีความหวังในลูกแต่อยา่าคาดหวังเพราะความคาดหวังมันทำร้ายมันทำร้ายคนไม่เยอะมันทำร้ายคนที่ถูกคาดหวังและมันทำร้ายเราซึ่งเป็นผู้ผู้คาดหวังคือพอเขาไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็เสียใจแล้วเราก็โกรธแล้วเราก็เกลียดเสียใจเกนียดนิโกรธเกลียดพ่อบางทีเกลียดรูปนะเพราะว่าลูกไม่เป็นไปตามที่พอคาดหวัง แต่ถ้าเราคาดแต่ถ้าเราหวังมีความหวังในเขาว่าเขานี่มีศักยภาพที่เปลีป่ยนแปลงได้นะธรรมาเชื่อว่าเราจะทาํางานจะมีความสุขเพราะคนส่วนใหญ่ธรรมดาทั่วไปย่อมมีความหวังย่อมต้องอาใัยความหวังแต่ย้ายให้ความวามังเงินตราเป็นความคาดหวังอันนั้นเนี่ยมันจะกลับมาทําร้ายตัวเรานี่ว่าเรื่องการทําใจนะนอกจากฉละดทำบุญก็ต้องฉลาดหัดใจด้วยนี่ก็ต้องผ่อนตัว พรอมากับการยอมความทุกข้อนะคะแต่ว่าจริงๆในวิธีการที่เราจะเป็นจิตอาสานอกเหนือจากเลือกหา <S 2> <S 2> <S เนื้องานที่เรารู้สึกว่าทำแล้วเราจเจอความสุขแล้วในระหว่างการทํางานน่าจะมีะกระบการที่เราจะได้เห็นตัวเองและก็กล่าวตัวเองด้วยไม่ทราบาแต่ละท่านอากจะแชร์ตรงนี้ไหคะว่าเราได้เห็นตัวเองยังไงในระหว่างกที่เราลงไปทงานอาสาสมัครในเนื้องานของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เมื่อเราได้มี การคิดื่อเองทำความตัวเอ ง, เองพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างการทำบุญดีทำํำสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มันกว้างไกลขึ้นในแง่ของการศรัทธาที่มีต่อการทําบุญศรัทธาที่มีก่อต่อการทํ า, ทาทความดีที่มันกว้างออกไปนะคะมันเห็นคุณูปการหรือเห็นประโยชน์อะไรที่มันมากขึ้นจากวันแรกๆที่ท่านทำบุญดีมาคือถ้าย้อนไปเมื่อเสรบจที่แล้วเนี่ย คำ ว, ว่าจิตอาสาเนี่ยไม่มีคนรู้จักนะเพราะว่ามันเป็นคำที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าสีปีที่ผ่านมาเนี่ยคำ ว, ว่าจิตอาสานี้ก็เป็นที่รู้จักจกันอยงแพร่หลายซึ่งเหมือนก็สะท้อนได้เห็นว่าแนวความคิดแบบนี้เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นแค่แนวคิดแต่ว่ามันมีการปฏิบัติต้องเรียกว่า คนที่เป็นจิตอาสาในสังคมไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็เป็นนิมิต ด, ดีซึ่งอ่าจมายถึงว่ามันจะมีส่วนช่วยสังคมไทยได้เยอะไม่ใช่แค่ช่วยให้คนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนได้รับการเ ย, ออยียวยาอย่างที่ตัวอย่างหลายตัวอย่างที่เราพูดมาอันนั้นเป็นผลดีในระดับคนแต่ว่าผลดีในระดับที่กว้างกว่าคือ มันได้สร้างท่า น, นิยมใหม่ให้กับสังคมว่าความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดจากการมีการได้มากๆอย่างที่สังคมบริโภคนิยมเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นนะพ ย, ยายามที่จะบอกเราความคิดแบบ น, นี้เนี่ยคือว่าความสุขเกิดจากการมีการได้เนี่ยมันสร้างความยืดเยื้บผู้คนมากมันสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมมาก มันนาไปสู่การแก่งแย่งแข่งขันมันนําไปสู่การเอารัฐเปรียบการคดโกงนะ <Yeah. S 1> เพราะอยากจะมีอยากจะได้มากๆ ม, มันนําไปสู่ความเครียดความทุกข์ความน้อยเงินต่าใจหลายคนฆ่าตัวตายถึงเพราะว่ามีทรัพย์ได้น้อยกว่าคนอื่นหรือต้องการมีมากๆหลายคนเคยได้ยินลูกที่ฆ่าพ่อแม่ก็ต้องการมรดกมรดกก็ได้แล้วแต่ว่าอยากได้มาก ได้คนเดียวก็ค่าที่ไปด้วยอันนี้มันสะท้อนอะไรสะท้อ น, นความสะท้อ น, นคานอ่าเอยว่ความสุขมันเกิดจากการมีกันได้แต่นี่หลายคนเนี่ยมีอะไรมากมายแต่ก็ยมีความทุกขนะทั้งที่ไอ้ที่มีเนี่ยมันก็มากกว่าที่เคยมีเมื่อสิบยปีก่อนแต่ก็ยังทุกเพราะว่ายัางได้มากไม่พอคนสมัยเนี่ยไม่ได้คิดแค่รวยนะไม่ได้อยากรวยเท่านั้นนะอยากจะรวยกว่าด้วย คุณม um ีร้อยล้านคุณกะทุกนะถ้าเพื่อนบ้านคุณเนี่ยมีพันล้านนะฮะคนสมัยนี้ไม่ใช่ต้องการแค่สวยนะต้องการสวยดีกว่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพีงแค่เป็นเสือห้างคนแตกไปก็ทุกข์แล้วทั้งที่ก็มีอะไรมากมายมากเลแต่ของเห่านี้เนี่ยความทุกข์ี่มันจะหายไปบางทีพอมาเป็นจิตอาสาเมื่อได้เห็นความทุกข์ของคนอื่นที่เขามากกว่าเราเห็นคนที่มีการคนที่กำลังจะตายเนี่ยไอ้แค่เป็นเสือนมันเป็นการยื่นจิตใจเลย ขานยมเนี่ยสังคมปัจจุบันมันต้อง ม, ม, องมีมันต้องมีการทวนกระแสให้เห็นล่อความสุขเกิดจากการให้ความสุขเกิดจากการสลักมันจะช่วยสังคมไทยได้เยอะตอนนี้สิ่งทีตจมาอยากจะมองต่อไปนะมองนี่มองแนบะ้าวครามมาสิาปีที่ผ่านมาสิปีข้างหน้าที้อยากจะเห็นอะไรนะอยากจะเห็นจิตอาสาเพิ่มขูนมากขึ้น ตอนนี้เนี่ยจิตอาสาเนี่ยยังจํากัดอยู่ในได้กี่ประเด็นนะแต่ถ้าเรามีจิตอาสาในหลากหลายประเด็นมากขึ้นเนี่ยจตมาว่าเองและสังคมไทยเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นร่าำบวยมากขึ้นอยะใหจิตอาสาเนี่ยมีเขาเรียกว่าภาษาฝรั่งเรียคอมมิชน้นคือความความอุทิศตนมากขึ้นไม่ใช่แค่ไม่ใช่ที่ว่าเมื่ากิจิตอาสาจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ จะต้องมีดีในจะต้องจริงจงทําเต็มทีนะ่แต่ไม่เสีเรียนะ่ยอันนี้เนี่ยในในในในเมืองนอก เ, นอเราจะเห็นคนที่เป็จิตอาสาเนี่ยก็ทํางานข้นแข็งมากนะแล้วเขามีทั่วไปหมดเลยไปญี่ปุ่นเนี่ยนะเราไปเราไปเมืองนาราเนี่ยหรือไปเกียว โ, โตเนี่ยจะมีจิตอาสาบินไก่พาไปที่โน่นที่นี่ฟรีนะเป็นจิตอาสาพาเราเป็น เป็นกาพาเรเทียวไปไปที่วิถีพันธ์ก็มีจิตอาสาพาเราเที่ยวทีวิถีาาพันธ์ไปที่ไหนเนี่ยมีจิตอาสาทั้งนั้นนะไม่องพูดถึงโรงเรียนบาลไม่ต้องพูดถึงไหนกูนะไม่ต้องพูดถึงองค์สารกํานคะ้างถ้าเราเมืองไทยเราเนี่ยมีจิตอาสาที่หลากหลายแล้วก็มีคอมมิชเน็ตคือมีวินยัยมีความจริงจังและทําต่อเนื่องนะในต่างประเทศเนี่ยคนอย่างคุณ นันทนายนั น, นทิยาเนี่ยมีเยอะมากนะทำเป็นสิปีที่สปีคนอย่างผุ้สุนพอเนี่ยมีเยอะมากคนอย่างดาบอ่มามัวรเนี่ยมววิชายเนี่ยมีเยอะมากเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยจะมาดูสารคดีนะของไทยทีดีเอสนะเกี่ยวกับจิตอาส า, าในเยอรมันในเยอรมันเนี่ยมันจะมีคังคกเนี่ย กบเนี่ยที่มันชอบ อ, อพยพไปประสมพันธุนนน์กันในสวนกันในแต่ในบึงแต่ว่าบึงหลายบึงเนี่ยมันมีถนนขวางเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องหาทางที่จะกันไม่ให้กบเนี่ยมันกระโดดข้ า, ามถนนรถเหยียบตายเขาก็จะทํารั้วแล้วก็ขุดหลุมเอาไว้เพื่อให้กบเนี่ยมันตกไปในหลุมแล้วจะมีจิตอาสาเนี่ยไปเกะเอาเอาเอาหม้เนี่ยในหลุมเนี่ย ซึ่งมีกบเป็นหลายสิบตัวเนี่ยเอาไปปล่อยที่บึงวิจิจอาสาแบบนี้มาช่วยกบเนี่ ย, ยเพื่อเพื่อแม่กบเนี่ยถูกลดเหยียบตายมันเสิร์ฟอะไรเสิร์อ๊ในเยอรมันในวิตอาสามันเยอะมากขนาดที่ว่าวิจิตอาสามาทำมาทํางานเพื่อช่วยกบเนี่ยทาทั้งวันนะชาวบกนี่ไม่พูดถึงคนนะคนแก่เด็กเนี่ยเทียบอัตวตย์ในวิตกิจอาสาที่นอกจากหลากหลายแล้วเนี่ยนะจริงจังนล้วเนี่ย เป็นเนจตนาศาสที่ไม่ได้ทำเฉพาะการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนแต่ว่าพยาพยามที่จะขอให้เกิดการปรับเปลี่ยนในเชนิงนโยบายหรือกฎหมายนะเช่นช่วยรณรงค์ให้มีสถานที่ที่เอื้อเฟื้อต่อคนที่ตการใช่ั้ยฮะที่เขาเรียกว่าสถาปัตยออารยะเนี่ยมึงใครมีน้อยนอยนะทาง ข้ามถนนเนี่ยมันไม่ได้เออเฟิ้อขนทิศการใช่ไหมรถเมเนี่ยก็ไม่ได้เออเฟื้ฟนทิการมันต้องมีกฎหมายมันควรจะมีกฎหมายที่ช่วยทำให้แม่รุยาดให้การเอาสัตว์เนี่ยไปฆรามาลในทาสะัสินคาเป็นต้นนะเพราะว่าสัตว์ที่อ่ในท่าสะพัสินคามันราาลมากอันนี้เป็นตัวอย่างนะเฉพา ะ, ะเรื่องที่ มันน่าจะทําได้ที่มันเป็นเรื่องของมนเสียธรรมนักสาธารณ ท, ทางานเพื่อปลักดังให้สังคมเนี่ยมันมีความเป็นธรรมมากขึ้นเพราะควาไม่เป็นธรรมเนี่ยมันทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนเปลียนเนี่ยทำให้เกิดคนทุกข์ยากถ้าเรามีอาสาแบบนี้มากขึ้นเนี่ยที่ทำงานในเชิงการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือการปรับเปลี่ยนสังคมให้มันดีขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ช่วยคนที่อยู่ต่อหน้าเราที่เดือดร้อนหรือช่วยสัตว์ที่เดือดร้อน หรือว่าปลูกต้นไม้ปลูกป่าแต่ว่าทาให้มันมีนโยบายที่ส่งเสริมการอนุนรักษ์ป่าเรามีแบบนี้น้อยนะแต่ว่าอราจมาหวังว่าในสิปีข้อสวัสดหน้าจะมีแบบนี้เยอะขึ้นและสิ่งที่ยังรู้สึกว่ายังทำยังยังเคลื่อนไหวน้อยนะยังมีความกล้ามาน้อยคือการทนให้คนรู้สึกว่าการทำบุญเนี่ยกับการไปติดอาสาเปนเรื่องเดียวกัน เดี๋ยวนี้เราสังเกต น, นะคนติตอาสาก็กลุ่มหนึงคนทําบุญก็กลุ่มนึ่งคนที่เข้าวัดอนนี้เหมือนใครมีเยอะมากนะแต่ว่าเวลาเข้าวัดเนี่ยก็เข้าเพื่อแบบทำบุญหรือปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าการปฏิบัติธรรมอันหนึ่งที่เน้นคนฝ้าห็คือการเป็นจิตอาส า, ท, ท, ารรทําไมทํำยังไงเราจะทําให้การทําบุญเนือางารเป็นจิตอาสาเนี่ยเป็นส่วนของการทําบุญคือไม่ได้ทำบุญวฉาะที่วัด ไม่ได้ทำบุญเฉพกับพระแต่ว่าไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ยากคนธรรมะธรรมโมแทนที่จะเอาแต่เข้าวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิน่าจะคิดต่อไปว่าการช่วยเหลือคนทุกข์ยากเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมันยังมีช่องว่ามีเส้นแบ่งนะปฏิบัติธรรมก็อันหนึ่งเทนาศน์อสานก็อันหนึ่ง แต่งที่ในสมัยกูสมัยก่อนนี่ไม่มีนะสมัยก่อนคนที่ทํำมาทำมวยเนี่ยเขาจะมีจิตใจเกลือเกลือต่อสาธารณนช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์สมัยที่หลวงปูอ่อาจารย์พุทธาเป็นเด็กนะอายุไม่กี่ขวบเนี่ยแม่เนี่ยให้ไปเฝ้าเฝ้านาแล้วแม่ก็ให้คาถากันขโมยเอาไว้คาถาที่สั้นๆนบกินเป็นบุล คนกินเป็นทานเฝ้านาเนี่ก็ทําบุญได้นะให้ทนมันกินบ้างให้คนมันกินบ้างน ะ, ะการทําบุญไม่จำเต้องทําที่วัดทําที่นาก็ได้นี่คือสติของคนสมัยก่อนเวลาปลูก ต, ต้นไม้เนี่ยก็จะค น, ค น, คนเวลาปลูกต้นไม้เนี่ยจะมีคาถาปลูกต้นไม้พุทธังทราผลทำบังราผลสังขัญลาผ ล, า ล, าผล น, ลผลนกเกาะเป็นบุญคนกินเป็นทานคล้ายๆกันเลยนะ คือปู่ต้นไม้ก็ได้ปุณแต่เดี๋นี้เนี่ยเวลาจะได้บุณเราต้องไปวัดต้องไปถวายสังฆทานการปฏิบัติธรรมก็ต้องตั้งสมาธิเท่านั้นทํางานเราถึงจากสยายการปฏิบัติธรรมและการทูลให้มาทุมเรื่องการช่วยเหลือส่วนรวมมีแม่ตากรุณาต่อสัตว์และมนุษย์ทุกอย่างนี่คือคติของโบราณเลยนะแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเราสิ่งเรื่องทามือสิ่งเรื่องคนทำยางฟืง้นคตินี้ขึ้นมา แล้วสังคุลไทยจะน่าอยู่เพ่มเด้อนะสังคุลไทยจะมีสันติสุขมากที่ียวกระดาษมรสการของพระคุณป้าก็มีใจสะอาดใช้สิทธิ์ครับ